ก็เพืพากันตั้งใจวันนี้ก็จะได้อธิบายถึงอภินนหะปัจจเวกหสู่การฟังอภินันหะปัจจเวกนี่แปลว่าทำที่ควรพิจารณาเนืองเนืองมีหมายความว่าพระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงแนะนำพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันพิจารณาทำห้าอย่างนี้เนืองๆติดต่อกันไปเรื่อยๆอเพื่ออะไรนะก็เพื่อเตือนใจไม่ให้เกิดความประมาทไม่ให้เพื่อเคนมัวเมาไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละ ก็ทรงแนะนําสั่งสอนให้พิจารณาว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอจะร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ไปไม่ได้แล้วเราก็จะต้องพัดพราจากของรักของชอบใจทั้งหมหลายทั้งสิ้นไป่เราทํากรรมอันใดไว้ดีก็ดีชั่วก็ดีก็จกเป็นผู้รับผลแห่งกรรมอันนั้น ถือไปอันนี้ที่พระศาสดาท ร, ราสงสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาเนืองเนืองเป็นความจริงถ้าหากว่าบุคคลไม่พิจารณาเนืองเนืองแล้วมันก็เผลอจริงมันเมาจริงเช่นอย่างบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไม่ค่อยเดือดเรียนอย่างนี้นะเรื่อถือว่าตนแข็งแรง ตนอยู่เย็นเป็นสุขสบายดีแล้วก็ได้ส่งใจให้เพลินไปตามเรื่องราวของโรคสงสารไปแล้ววันนี้นะเป็นอย่างนั้นเขาเขาลํำขับร้องดีสีที่เป่าที่ไหนก็ไปอย่างนั้นนะถือว่าตนนั้นมีความสุขสบายดีวันนี้ก็เป็นเหตุให้ห่างเหินจากการงาน ในบ้านในช่องของตนก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไรแหละทบเอาแต่เวลาไปหาทางสนุกสนานอย่างเดียวนอกจากการงานในบ้านเรือนจะบกทร่องไปแล้ววันนี้การสั่งสมบุญกุศลทมความดีก็ห่างไกลออกไปเรื่อยๆห่างทั้งร่างกายห่างทั้งจิตใจ เข้าไปทำชีวิตให้เป็นเหมือนไปนี่แหละไอ้ความที่เป็นผู้ไม่ได้พิจารณาเนืองๆเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนี่แล้วคนผู้ที่ไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องความพัดผาดจากของรักของชอบใจโมนี่เวลถึงเวลานั้นมาแล้วถึงเวลามีญาติหรือว่าลูกหลานใคร ้ามีภรรยาอันเป็นที่รักมาพัดพรากจากไปนี่เสียใจเศร้าโศกอย่างแรงไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนมืนี้มันก็ทำให้ใจเศร้าหมองหุ่นัวไปทำให้จิตไม่แจ่มแจ้งในธรรมมีแต่ความทุกความโศก ครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นผู้มีจิตใจถูกความโตกเท่าเสียใจครอบงําอย่างนั้นแล้วจะทําความดีอะไรก็ไม่ได้ไม่มีกําลังใจที่จะช่วยพระสวดมนภาวนาอะไรไม่มีเลยนะถ้าหากว่ามีผู้ไปแนะนําเตือนให้อ่วยพระาภาวนาบ้างโอ้มันทําไม่ได้หรอก ใจไม่ดีออใจไม่ดีนี่ทําอะไรก็ไม่ได้หรอกก็มีแต่ปฏิเสธลูกเดียวอย่างนั้นเนี่ยคนที่ปล่อยให้ความทุกข์ความโศกครอบงำจิตใจมากๆเขาแล้วมันมันหมดกําลังใจกําลังใจอ่อนเปรีย้ยไปการจะทําความดีอะไรก็ไม่ค่อยได้นะบาลีเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ พิจารณาหนึ่งๆไอ้เรื่องความพัดภาคนี่นะบางทีไอ้ตัวเองก็พัดภาคจากของรักของชอบใจไปก่อนเช่นพ่อแม่บางทีก็พัดภาคจากลูกไปก่อนบางที ล, งลูกก็พัดภาคจากพ่อแม่ไปก่อนก็มีอออะไรก็สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยมันนะเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยมันแล้วมันก็แตกดับทําลายลง ทั้งที่มีติตคลองใจคลองก็ดีไม่มีใจคลองก็ดีมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่มันยังปรากฏอยู่อันเมื่อหมดเหตุปัจจัยอนุปธรรมบำลงไว้แล้วมันก็แตกดับทาลายลงแล้วก็ไม่เลือกการเลือกเวลาด้วยเหตุปัจจนะัยนั้นมันจะหมดลงเวลาไหนใครก็ไม่รู้เก็เหตุฉะนั้นในพระ อ, องค์เจ้าจึงสอนให เพียรพยายามละความชั่วทำความดีทำละจิตใจของตนให้มันท่องไสสะอาดไว้อย่าให้อย่าปล่อยให้ความทุกข์ความโศกหรือความโกรธแค้นคุณเครืองอะไรนะมันหมักหมมอยู่ในใจพิจารณาเข้าไปจนว่าใจมันสงบลงได้เป็นสมภาธภาวนานี่การพิจารณานะน่ <c oughs> อันนี้ท่านก็จัดว่าเป็นสมถะกรรมฐานเหมือนกันแหละการนึกถึงความแก่ความเกบความตายนึกถึงความพลัดผากจากของรักของชอบใจโมนี่มา น, นึกถึงในชีวิตของตัวเองนี่ว่ามันมีกรรมมีของตนอตนทํากรรมดีก็จะได้รับผลดีมีความสุขถ้าตนทํากรรมชั่วก็จะได้รับผลชั่ว จะได้มีความทุกนั่นแหละเป็นสิ่งที่ติดสอยห้อยตามไปแตความสุขหรือความทุกไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลโลกมาโดนบันดาลให้บุคคลเป็นสุขหรือเป็นทุกตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดพระองค์เห็นแจ้งแล้วว่าไม่มีไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดมาโดนบันดาลให้คนเป็นสุขเป็นทุก มีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทาลงไปแล้วแล้วไม่ไม่เห็นโทษแห่งกรรมชั่วนั้นไม่เพียนละกรรมชั่วนั้นอแล้วบุคคลผู้ทํากรรมดีไว้นั่นเมื่อรักษากรรมดีไว้กรรมดีมันก็ติดตามอำนวยผลให้เป็นถูกไปเมื่อบุคคลทํากรรมชั่วลงไปแล้ว ไม่ระลึกถึงตัวเองไม่เห็นโทษแห่งกรรมชั่วนั้นไม่ภากเพียรไม่ยอมละกรรมชั่วนั้นกรรมชั่วนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามไปโทษแห่งโทษผลเมื่อละโลกนี้ไปแล้วมันก็อํานวยผลให้เป็นทุกข์ในทุกในชาติต่อต่อไปกรรมชั่วที่บุคคลทำมาแต่อดีตชาติหนหลังนุ่นมันก็ติดตามมาให้ผลเป็นทุกข์ในชาตินี้ พราะนั้นเข้าใจให้มันถูกต้องบรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วใ้เรื่องคำดีคำชั่วนี่อย่าให้อย่าไปเข้าใจสับสนกันถ้าไปเข้าใจสับสนกันแล้วนั้นมันมันไม่มันไม่สามารถจะแก้ทุกเหล่านี้ได้อืเช่นอย่างว่าเอา้าคนนั้นนะมันทําความชั่วอยู่แล้วไม่เห็นว่ามันเขาเป็นทุกข์เรือร้อนอะไรย พอเห็นเป็นสุขสบายดีอยู่ทีนี้บุคคลผู้เข้าใจอย่างนั้นก็เลยไปถือเอาเยี่ยงอย่างคนผู้ทําความชั่วนั้นก็ไปทําความชั่วก้าเขาออย่างนี้ไปนี่แหละความเข้าใจผิดนะถ้ามันเข้าใจถูกว่าเออนี่เวลานี้นนกรรมดียังอํานวยผลให้เขาอยู่กรรมดียังช่วยรักษาชีวิตของเขาให้เป็นสุขสบายอยู่ ดังนั้นกรรมชั่วที่เขาทํานั้นจึงไม่มีโอกาสให้ผลแก่เขาให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนไต่อย่างไดชั่วที่เขาทํานั้นมันจะต้องติดสายห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นคอย ห, หายจังหวะเมื่อกรรมดีที่มันให้ผลมานั้นหมดลงเมื่อใดกรรมชั่วนั้นก็ให้ผลสืบต่อได้เมื่อนั้นเมื่อนั้นแต่บุคคลนั้นก็จะได้เสวยทุกข์ทนทรมานต่อไป เนี่ยกรรมชั่วบางอย่างมันหนักมากมันก็ให้ผลปัจจุบันอย่างเช่นพระไทยประชัตเนี่ยทำอนันตริยกรรมทำสงให้แตกจากกันทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยางพระโอหิตหสหอขึ้นไปกรรมนั้นมันให้ผลในปัจจุบันในถูกแผ่นดินสูบเอาไปไหมอยู่ในอเวจีทั้งเป็นอย่างนี้เรียกว่ากรรมมันหนักมากมันมันไม่ต้องรอไปถึงชาติ ไม่ไม่ไ ม, ไม่ต้องรอไปถึงให้ตายแล้วยังไม่ตายมันก็ให้ผลได้มันหนักมากอันนั้นกรรมมันได้ถ้ามันไม่หนักมากนั่นมันก็ต้องรอไปจนถึงนั่นะจนหมดบุญเก่าที่เขาทำมานั้นลงเมื่อใดนั้นมันจึงให้ผลได้เมื่อนั้นต้องให้เข้าใจเรื่องกรรมให้มันละเอียดอย่างนี้พระพัน <c oughs> เรื่องกรรมอวิบากนี่เราต่างคนต่างทำมาไม่เหมือนกันนะเป็นมันเป็นไปตามจริตนิสัยอา้าบางคนก็ทำบาปทำชั่วด้วยอำนาจแห่งความโลภอย่างนี้นะนั่นไปฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นต้นตลอดถึงดื่มสุราเมรัยเป็นที่สุดเพราะความโลภในชีวิต ของตัวเองอยากจะให้ตนนั่นอยู่เย็นเป็นสุขสบายหาตั้งแต่อาหารดีๆมาบำรุงมันอ่าแม้จะฆ่าสัตว์สัต์ชีวิตก็ยอมออย่างนี้แหละเรียว่าโลคโรคในร่างกายสังขารไปอย่างนั้นนพาให้ฆ่าสัตว์สัตชีวิตพาใหไ้ไปลักไปล่อไปหลอกไปลวงโซ่โคงเอาสมบัติอื่นมาเป็นของตนเออมันพาให้ ไปประพฤติผิดมิตรชาจารกรรมไปทำสู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นเข้า mm. <baking. S 2> ไปนี่ความโลภในกรรมความโลภในกิเลสกรรมอันนี้นะความโลภในทรัพย์สมบัติเข้าข อ, ง, ขอ ง, างต่างๆนี่กับเสนีย์ได้คนเราใช้วาจาหลอกลวงซ่อโค้งโกหกผู้อื่นได้โดยไม่กลัวบาป ก, กรรมอะไรเลย ความโลภในความสนุกสนานอความอยากสนุกสนานเฮฮาเห็นเขาสนุกสนานร้องราทําเพลงเฮฮากันะไอต้ตนก็อยากบ้างแบบนี้ถ้าไม่ไปดื่มน้ําเมาอนะันนน่ะมันจะไปเฮฮาอย่างนั้นไม่ได้ต้องดื่มน้ําเมาเข้าไปให้มันลืมเนื้อลืมตัวแล้วแบบนี้ก็ฟอนราขับร้องดิดตีตีตตตเปา่ากระโดดโลดเต้นอะไรไป ก็ได้ไม่ละอายใครเลยอกล่าวว่าจะหยาบล้นอะไรต่อใครก็ไม่เกรงกลัวใครทําได้อโมนี่นี่แหละความโลภเนะี่ยมันเป็นเหตุให้คนเราทําบาปตรงนี้นะความโกรธนี่บางคนก็ทําบาปมี้ปาณาติบาตเป็นต้นนี้ด้วยอํานาจแห่งความโกรธก็มีอย่างนี้แหล ะ, าหละบางคนก็ไปทําบาปทั้งห้าอย่างนี้ด้วยอํานาจแห่งความหลง ความไม่รู้ว่าการทำอย่างนั้นเป็นบาปเป็นโทษไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังมา อ, อย่างนี้นะเห็นพ่อแม่คูยาตายยายพาทำมาอย่างไรก็ทำไปไม่คำนึงถึงบาปถึงกรรมเลยอันนี้เรียกว่าทำบาปด้วยอานาจแห่งความหลงถ้าพูดแล้วนะคนเราที่มันตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ในโลกสงสารอันนี้ พราะกรรมทั่วดังกล่าวมานี่แหละอตั้งแต่ชาติก่อนนน่ะไม่ได้ทํากรรมชั่วห้าอย่างนี้ไม่อย่างใดก็อย่างนึงหรือว่าหลายอย่างเนี่ะกรรมชั่วนะั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาอํานวยผลให้หอมีร่างกายไม่สมบูรณ์มีความยากจนคนแค้นในทรัพย์สมบัติหรือว่ามีสมบัติเข้าของเงินทองมาเร็ว ก็มีโจรมาจี้มาพร้นเอาไปบางทีก็ฆ่าเจ้าของทรัพย์ให้ตายไปเลยก็มี mm hmm. นั่นโอนี่แ ต, ต่ถ้าก่อนนันผู้นั้นบางทีก็อาจเป็นโจร น, นะนั่นแหละไปจี้ไปพร้นไปฆ่าเจ้าของทรัพย์เขามาแล้วแ ต, ต่ชาตก่อนอย่างนี้น ะ, ะกรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาไห น, นมันก็ให้ผลเวลานั้น ผูนั้นก็ถึงซึ่งความวิบัติแห่งชีวิตตลอดถึงทรัพย์สินโมนี่นะบุคคลผู้เป็นเจ้าสู้มายาไปชอบทำสู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นอา้าวกรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาเกิดมาชาตินี้มีผัวมีเมียม า, า<อ>ก็กรรมทั่วที่ตามติดตามมาให้ผลมันก็โดนบันดาลให้บางทีก็ให้สามีไปทําสู้หนีจากภรรยา บางทีก็บ so ouais so ันดาลให้ภรรยาไปทำสู้หนีจากสามีไปถ้าว่าได้ลูกได้เต้ามาลูกก็ไม่ฟังพ่อฟังคำทำจนเป็นคนเกลเยเจ้าสู้มายาไปทำให้เสื่อมเสียน้ำสกุลไปทำให้พ่อแม่หนักอกหนักใจโมนี่มันรวนได้โทษการเมสอวิช่าจารย์ทั้งนั้นเลย แต่คนนั้นไม่ค่อยเชื่อหรอกอันที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงวิบา ก, กรรมของบุคคลในโลกอันนี้นะไม่ค่อยเชื่อบางคนก็เชื่อแต่ว่าหกปฏิเสธว่าทำตามไม่ได้เอาเรื่อยเลยยอมรับบาปรับกรรมไปมันจะไปตกนรกอราวัยภูมิที่ไหนก็นแล้วแต่มันอันนั้นเรียก ว, ว่าตันหามันครอบงาจิตใจอย่างรุนแรง จนว่ายกจิตใจของตนไม่ขึ้นเลยอืมจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็ยอมทั้งนั้นเลยนี่แหละสาเหตุที่คนเรานะั้นมันจะไปแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนเข้าสารยัดไถ่ที่พ ร, พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเปรียบไว้นะพระองค์ทรงเปรียบไว้อย่างนั้นจริงๆพระองค์เพ่งด้วยพยานนะเห็นแจ้งเลยว่าสัตว์ทั้งหลายทํากรรมชั่วแล้วไปตกนรกนี่มากมายเหลือเกิน อยู่ในหม้อระลกกันยัดเยียดกันไปมาอยู่งั้นเหมือนกรเข้าสามยัดไทนี่เมื่อก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะคนเราในมันสมาธิ <c oughs> เรื่องมันอนะ่ะมันสมาธในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนี้อันนี้แหละเมื่ออธิบายมาถึงตรงนี้แล้วนะผู้ฟังทั้งหลายก็คนจะทบทวนได้แล้วนะว่า มนุษย์เราที่จะได้สวยทุกคนทรมานอไม่สามารถจะไปสวรรค์ไปสนติพานได้มันก็พาอยู่กรรมทั่วห้าอย่างเนี้ที่บุคคลได้ทําเกิดมาชาติได้ก็มาทํากรรมทั่วห้าอย่างนี้อไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเอาทีนี่ก็ไม่ใช่ทําแต่กรรมทั่วอย่างเดียวไอ้กรรมดีคือบุญกุศลก็ทําให้ทานก็ให้ไปอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วมันจึงได้รุ่มรุ่ ม, มดอนดอนไม่สม่ำเสม อ, อบางคราวก็มีความสุขไปแล้วบางคราวก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากไปขาวใดบุญให้ผลก็มีความสุขไปข้าวใดบาปให้ผลก็มีความทุกข์ไปก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของคนเรามันถึงไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ไปพระนิพพานได้ มันก็ขากรรมทั่วผู้ดใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วหากว่าเชื่อพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วควรอธิษฐานใจละเว้นจากกรรมทั่วหา้าอย่างนั้นเสียเลยแหละตั้งศัตจูกลงไปเลยเอ้าตายเป็นตายเราจะไม่ทำกรรมทั่วห้าอย่างนี้เด็ดขาดในชีวิตนี้อะจะได้กินอะไรจะได้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่มัน ถ้าว่ามันหามันทำมาหาเรืร่องซีดอยู่ในกรอบแผงศีลแ่งคำนี่มันไม่สามารถจะหาได้แล้วก็เอา้าเรายอมอดตายลองดูที่ให้มันตายเพื่อสิลนีน้สักชาติหนึ่งลองดูบางทีมันอาจจะได้ไปสวรรค์บางทีมันอาจจะไปพานิพานได้ไหวๆเข้าไป น, น, น, นี่เนไหนี่ย ทีเรนนิตปูติยันติเอผู้จะไปบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้เพราะมีศีลนี่นะพระพุทธเจ้าทรงสัตย์ยืนยันว่าอย่างนี้แล้วเราจะไม่สงสัยอะไรแล้วไม่ควรสงสัยแล้วอันนี้แหะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีกรรมเป็นของของตนทําดีจัดได้ดีทําชั่วจัดได้ชั่ว อันนี้เพราะเขาองรู้แจ้งแล้วนะเรื่องกรรมเรื่องการกระทําของสัตว์โลกทั้งหลายนี่นะอจึงได้นํามาสแสดงเป็นข้อธรรมะไว้เพื่อให้พุทธบริษัทจําเอาไว้แล้วไปพิจารณาสอนใจตัวเองให้ละกรรมอันชั่วสอนใจตัวเองให้ทําแต่กรรมดีๆให้เกิดให้มีขึ้นในตนอเอพระองค์ทรงพระเมตตากรุณาสงสาร สัตว์โลกมากเหลือเกินนะเมื่อตรัสรู้แล้วจึงไม่นิ่งดูดายเลยเมื่อออกพัรษาวาวนาแล้วพระองค์ก็เคลียมต์ตเด็ดจาริกไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่ตามที่ได้ทรงพิจารณาเห็นด้วยพยานว่าคนเหล่านั้นมีอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้ให้เขาได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษ หรือว่าคนหมู่นั้นเหล่านั้น่ะมีศรัท ธ, ธาอยู่แต่อินเตียงไม่แก่กล้าเอาพระองค์ก็สเสด็จไปไปแนะนำสั่งสอน ส, อส่งเสริมศรัท ธ, ธาความเชื่อความเรื่อมใส่ส่งเสริมปัญญาของเขาให้แก่กล้าขึ้นไปแต่ถ้าถ้าหากว่าทรงพิจารณาเห็นคนเหล่าใดนั้นหมัวเมาประมาทไม่มีศรัท ธ, ธาเรื่อมใสไม่เชื่อบุญเชื่อกำ เสียเลยอย่างนี้พระองค์ไม่เสด็จไปสอนเลยอน่นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาของพระองค์มีน้อยเก็นทีพระองค์ก็ไปเลือกสอนเอาแต่คนที่มีบุญเท่านั้นเองนะแม้พ ร, พระพุทธเจ้าพราะองค์ใดก็ตามแหละเหมือนกันเลยเพราะว่าคนไม่มีศรัทธาแล้วเมื่อเสด็จไปนี่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาก็ไม่มาฟังไม่มาสนใจ ในอย่างนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วก็เสด็จไปให้เหนืงง่อยเป่าเานี่ยเป็นย่งั้นเพราะฉะนั้นแหละการที่พุทธศาสนิาชนทั้งหลายได้อมาพบพระพุทธศาสตร์ปาอันประเสริฐเห็นปัจจนนี้แล้วนะจึงสงควรศึกษาพิจารณาให้เข้าใจความหมายแห่งคําสอนของพุกพระพเจ้าให้ได้ การเข้าใจความหมายเนี่ยสําคัญมากนะขอย้ําให้ผู้ฟังได้เอาไปทบทวนดูเพียงจะฟังไปฟังไปเฉยๆแล้วอย่างนี้นี่แล้วไม่รู้จักความหมายที่แน่นอนนะ่ะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดประโยชน์อะไรได้จากการฟังนะเช่นอย่างที่แสดงให้ฟังมาอยู่นี่แหละอ แล้วความหมายที่ในทางปฏิบัตินั้นหมายเอาอย่างไรนี่อย่างนี้เ้วก็ผู้ฟังเป็นแล้วก็สรุปได้เลยว่าอ๋อที่ทรงสอนให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเนืองๆ น, นั้นก็เพื่อที่จะเตือนใจให้ประมาทในการละความทั่วททำความดีให้เจริญขึ้นในตน พราะว่าตนจะมีความสุขได้เพราะสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นและเพราะเกีย์นิยามละกรรมบัรชั่เท่านั้นตนถึงจะมีความสุขสม่ำเสมอไปได้การที่ทรงสอนให้พิจารณาว่าเราจะต้องพัดผาจากของรัฐของชอบใจทั้งสิ้นไปอันนั้นก็เพื่อที่จะให้เรารู้เท่าความ เกิดความตายของสัตว์โลกทั้งหลายไม่เลือกเวลาไม่เลือกไว้ไม่เลือกทำไมไม่เลือกการอทุนแล้วตั้งแต่บุญกรรมของใครสร้างมาเท่าไรเมื่อหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ส่งสายไปเท่านี้แหละใครจะช่วยใครก็ไม่ได้แม้ของสิ่งนั้นหรือบุคคลคนนั้นจะเป็นที่รักของตนอย่างยิ่งเท่าไรมันก็ไม่ฟคลางนะช่วยไม่ได้เลยนี่พิจารณาเห็นกฎแห่งกรรมอย่างนี้แล้ว มันก็วันเทาความทุกข์ความโศกความอะไรกันลงได้ทพรามันเหลือวิสัยแล้วมันช่วยไม่ได้อนี่แหละความมุ่งหมายในทางปฏิบัตินี่ที่ทรงสอนในที่นี้ถึงกรรมดีกรรมชั่วทุกวันทุกคืนไปนั่นออก็เพื่อเตือนตนไม่ให้ประมาทเมื่อทบทวนดูตนของตนว่าไอ้ความชั่วมันยังมีอยู่ในใจของเรานี่อย่างไรบ้าง เมื่อรู้แล้วว่าจะได้พยายามละถอนทั่วนั้นออกไปนี่แล้วความดีอะไรที่ตนยังไม่ได้ทําเมื่อทบทวนดูก็รู้ได้อย่างนี้แหละแล้วก็จะได้พยายามทําความดีนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเช่นอย่างว่าเอา้าการรักษาศีลอย่างนี้นะนนะเมื่อทบทวนดูแล้วเอศีลของตนนี้ยังมีด่างมีเพราะอยู่ยังไม่บริสุทธิ์แท้ ทบทวนดูแล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะพยายามสํารวงกายวาจาให้ละเอียดถี่ท้วนเข้าไปคนนั้นอให้ศีลมันบริสุทธิ์เข้าไปนี่เมื่อทบทวนดูว่าเอะการภาวนาของตนนี่ก็ยังโ ย, อ, ยอนอยู่ยังไม่เข้มแข็งพออการทําใจให้สงบก็ยังไม่ละเอียดพอยังสงบไปไม่ได้นาน เป็นนี้ก็พยายามเลยพยายามเพ่งพินิษฐ์พจารณาใจตัวเองอตนเคยเจริญกรรมฐานอันไรแล้วใจมันสงบลงได้มันเกิดสังเวชสลดใจแล้วใจสงบลงก็มันนึกถึงกรรมฐานอันนั้นบ่อยๆมันเพ่งกรรมฐานนั้นบ่อยๆเข้าไป เมื่อจิตมันเห็นแจ้งในกรรมฐานอันนั้นแล้วจิตมันก็รวมลงไดม้มันก็ละอารมณ์ภายนอกเสียได้นั่นแหละเราจะไปเจริญกรรมฐานนิดิดหน่อยแล้วจะให้ใจมันรวมลงเลยอ น, นียมันไม่ได้คือเราต้องเพ่งเอาจนว่ากรรมฐานมันแจ่มแจ้งขึ้นในใจยกตัวอย่างเช่นว่าการนึกถึงความตายอย่างที่ว่ามานั้น เห็นดูแล้วเออความตายนี่เป็นอย่างนี้หนาตายลงไปแล้วทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวมีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทําเอาไว้เท่านี้แหละจะติดตามไปออืืถ้าเช่นั้นกรรมชั่วนี่เราไม่ต้องการก็ต้องละมันเชออ่นความโกรธความเกลียดเทียดชั้งกันบอกออความอยากได้อะไรต่ออะไร อันไม่มีขอบเขตหมือนนี้นะมันเป็นความทั่วทั้งนั้นเลยก็ต้องละความคิดอันนี้เสียเมื่อกำหนดละความคิดอันนี้ลงไปได้แล้วใจมันก็รวมลงได้ อ, อย่างนี้แหละอันที่มันใจรวมลงไม่ได้นั่นเพราะมันคาความทั่วใจมันยึดเอาความทั่วอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นอารมณ์ไว้แล้วความทั่วนะั้นมันก็รบกวนใจไม่ให้สงบลงได้ ให้แต่ใจนั้นคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยใน่างๆนั้นนะนี่ลักษณะของชั่วนะั้วมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการที่เรามานึกถึงความตายเพ่งดูเอาจนเห็นเรื่องราวแห่งความตายลงไปอย่างว่านี้แล้วมันก็สามารถที่จะละ ก, กรรมมันชั่วลงไปได้นี่นะอแล้วสามารถที่จะทําใจให้สงบลงได้เพราะว่า เมื่อเห็นความตายแล้วเห็นเมื่อตายลงไปแล้วมันทิ้งทุกทิ่งทุกอย่างที่เราต้องการปรารถนามันก็ไม่ได้เอาติ์ตัวไปด้วยเมื่อมันเห็นคัดลงไปมันก็วางสิกว่บบนี้นะมันก็วางมันก็ปล่อยลงได้ใจก็รวมลงสงบลงเป็นหนึ่งได้อันนี้อธิษฐานเรียกว่ามรณะส ต, ติกรรมฐานนั่นนะอืมการนึกถึงความตายก็ต้องนึกให้มันจริงจังลงไปจริงจริอหรือว่าการนึกถึง ทานการบริจาคอย่างนี้นะก็ต้องเพ่งเรื่องการให้การบริจาคทานนนจนว่าให้มันเห็นผลแน่ชัดในใจว่าทานนี่มีผลจริงๆนทําให้มีความสบายใจจริงๆอย่างนี้ทําให้กิเลสความตณหนีความโลภมันเบาบางไปจริงๆเพ่งอา น, นิสงส์แห่งทานเห็นแจ้งกระจัดชัดลงไปนี่มันก็ เกิดปีติขึ้นพคอมปีติอันนั้นลงได้ใจก็รวมลงเป็นหนึ่งนั่นนี่แหละการเจริญภาวนานะการเจริญกรรมฐานนะให้พากันเข้าใจต้องเอาจริงนะต้องทําจริงไม่ทําจริงนมะ่ก็ใจรวมลงไม่ได้ใจสงบไม่ได้เลยเมื่อใจสงบลงไปได้ในเรื่องปัญญานั่นมันก็มันเกิดขึ้นมาแล้วขอแต่ใจสงบลง เรานึกเราคิดพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งประจักษ์ไปเลยวันนี้นะเรื่องที่ควรจะสังเวศเบื่อหนายมันก็เบื่อหนายวันนี้นะอ่ามันเป็นยางนั้นเรื่องที่ควรจะปล่อยจะวางมันก็ปล่อยวางลงได้วันนี้ไนะไม่ถือมัน่นด้วยอุปาทานต่างๆนี่เลยดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้